بسم الله ن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد فينا ستعطيك رب ك ر ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ด้วยอนุญาตจากอ AH ัลลอฮฺานว ا ن ه และ ت ع ا ل พบกันอีกครั้งหนึ่งในการอ ธ, ธิบายความหม า, ายอัลคุรานสูรอัลมาอิดะ <c> ์ซ <oughs> ึ่งซึ่งเป็นสุรษ์ที่จะต้องถูกจารึกไว้ในความทรงจำของูุศถาทุกคน ที่เรียนรู้อลัลลามเป็นพิเศษเหมือนหลายคนที่เรียนวิชาหลายวิชาแต่พอมาเรียนรู้กฎหมายแล้วกฎหมายทำให้เขาหูตาสว่างสิทธิและความประพฤติของเขาในสังคมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นที่เขาเรื่องกฎหมาย แต่ถ้าไม่มีข้อมูลด้านกฎหมายย่อมเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายถูกกดขี่ง่ายถูกพิกดรอนสิทธิ์ก็ ง, ง่ายเช <c oughs> <c oughs> ่นเดียวกันคนที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ใน่านสุรุและอายะที่เป็น เรื่องเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติก็จะมีความสนิทสนมเป็นพิเศษนะครับกับหลักการศาสนา <c oughs> อัลุมล์ดานจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงทั้ทงทั้งที่เป็นสุรศที่พูดถึงเรกณฑ์กติกาหรือกฎเกณฑ์ของสังคมมุสลิม ที่นบีไปก่อตั้งใหม่ที่เมืองมดีน่านั้นยังเป็นสุรบที่พูดถึงเรื่องหลักความศรัทธาอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุกๆสุรบทุกสุรอนจะมีทั้งเรื่องความศรัทธาและมีเรื่องปฏิบัติน้อยสุร้อนนะครับที่จะพูดถึงเรื่องเดียวหรือหมวดเดียวหรือแนวเดียว เป็นสุรายในสุราต์อัลเบกระอัลอิมรนอัลนิสลอิเป็นสุราตีมีความหลากหลายในุรา์อัลอันามพูดถึงเรื่องอาคิดามากว่าสุรา์อันามนี้ก็เกือบหนึ่งยุทนะครับเป็นรอยอายเหมือนกันแต่เน้นเรื่องอาดถูกประธานลงมาที่มักกะอัลอันามนักัจากสุราต์อัลมาิดะ และมีบางอายะห์ที่พูดถึงเรื่องอภการบ้างแต่เป็นส่วนน้อยของสุรไม่ได้ไม่ใช่อภิกรรมนเพียบเลยแต่ก็มีเรื่องอาลกีดานนะครับ เ, เคยทบทวนกับพี่น้องว่าคุรา น, นี่ไม่ใช่หนังสือกฎหมายสากล น, นะถูกแบ่งเป็นหมวดหมวดว่าโดยครอบครัวหมวดว่าโดยไม่ใช่แล้วมีสุรเฉพาะครอบครัวสุรเฉพาะคีดานนี่ไม่ใช่ แล้วทำไมล่ะคุณโอทะไมพุทธานไม่จัดสรรให้เรียบร้อยนี่ไม่ใช่เพราะพุทธานนี่เป็นหนังสือทางนําคนอ่านเนี่ยจะต้องไม่เบือ่อคนอ่านนี่จะต้องจะต้องได้หลายเรื่องได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเราเปิดหนังสือกฎหมายจะได้ประโยชน์ด้านจริยธรรมกฎหมายแข็งแข็งหนึ่งนั่นแะ อ่านกฎหมายนี่ไปถามนักนักศึกษานิติศาสตร์อิงกฎหมายกฎหมายแพ่งอย่างเงี้ยโอ้โหข่าปรับก็ออจะจําได้เนะเออมันกดแข็งอแต่ท่านดูสิอ่านสุดอะไรไหมนะเดี๋ยวก็มีเรื่องอักดีเดี๋ยวก็มีเรื่องอกักกามเดี๋ยวก็มีเรื่องอัครมารยาทเดี๋ยวก็มีเรื่องค ร, ร, รอบครัว แลุ้รอาน์ถูกพระเจ้าลงมาจะได้ <c oughs> อย่างที่ท่านนาบีได้บอกไว้ให้คนที่อา่านกุรอานเนี่ยกันฮ้านิมุตตะฮิเหมือนคนที่เดินทางพอถึงสถานีแห่งหนึ่งก็จะเตรียมตัวจะได้เดินทางต่ออันฮันคนที่ถึงละถึงเมืองละอันมุตตะฮิคือจะเริ่มเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งกุรอานเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่า มาเรียนท afsir สุนัตอัลไมรัังในในชีวิตกับเช ย, ยนิอาจแล้ววะฮะแล้วก็ไปตอบตวฮันบอกว่าโอ้มาีานี่เรียนไปแล้วครั้งในึงในชีวิตคือตลอดเรียนตลอดศึกษาตลอดแล้วก็อ่านตลอดเพราะเราอ่านอ่านอานตลอดผ่านสุรานู่นสุรา่นน้าเน้นกับพี่น้อง า, าเราจะต้องคุ้นเคยกับอ่าน คุเคยกับุณอ่านมากกว่าบัญชีโทรศัพท์มือถือ่องมืดงไมได้เลยซูราไหนเนี่ยมาเลยมือถืนะแต่พอเปิดคุอ่านซออยู่ไหนซอสอยู่ไหนีอะซอสนซูรซอมีอซอนี่ซอมกทีดซูมาร อัลอัน فال ยินดับไปเลกอีกนะไปเรียนะดีษะดีษิอัลกิแตลไปเปิดสารบัของกุนไม่มีสราอัลกิลไม่มีทำไมอ่ะสุราแต่ละสุรมีหลายชื่อสฮาบก็ตั้งหลายชื่อไปเปิดะดีษเนี่ยฮาบคนนึงเนี่ยอัลล์พูดไว้ในสุราอัลฟาิหไปเปิดสฮาบนชีอาบ เราเอาวสุราเลยมิมีสุราใช่อัลฟาดีก็จะุศอตถอบานนี่ม right. ันก uh ็อ uh ีกมิติหนึ่งในการที่จะคุ้นเคยกับบัรคุตอ่านอย่าห่างไกลนะเรารู้จักนักร้องชื่อฉายาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกนี่ศึกษาทั้งหมดเลยชื่อเล่นมีกี่ชื่อเล่นในรูปไอ้เต๋นไอ้ไอ้เล็กไอ้น้อยรู้หมดเลยแต่ที่เรื่องของคุตอ่านนี่มันเหมือนเป็นสิ่งแปลก แปลกนหน้าเป็นสิ่งสิ่งประหลาดในชีวิตของเรานี้ไม่ถูกต้องนะครับสุราตอันไหนได้ย่างที่บอกเป็นสุราที่มีเนื้อหาหลากหลายวันนี้เราจะมากดูดจัดเรื่องว่าด้วยกฎหมายซึ่งกฎหมายที่อยู่ในสุราตอันไหนได้นั้นเป็นตัวอย่างที่อัลละฮ์ยกขึ้นมา เพทบทวนสัญญามั่นของผู้ศรัทธาที่จะต้องเชื่อฟังอลงค์และปฏิบัติตามคําสัญญามัน่นอันที่อัลลอฮฺได้บอกไว้ในตนรัสอัลมาิดานยาเอเฮ์ลล uh ัด oh ีนอาเมนอัฟุบิลอุคุลผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาขอลองค์หนึ่งในสัญญานั้นนะ่ะคือคําสั่งที่องค์ประทานลงมาอัลลอฮฺก็มีคําสั่งหลายอันเนี่ยทรงไม่ได้ให้เห็นท่านในอดีตเขเคยทํากันยังไง แล้วก็ปัจจุบันผู้ศึาที่ได้รับฟังนี่จะทำยังไงอย่างเช่นกฎหมายที่รองประทานลงมาว่าด้วยขาตกรรมหรืออัชญกรรมปฏิบัตไปแล้วนี่มาอีกเรื่องหนึ่งจะได้ไม่เบืออ่อไงพราจะพูดถึงเรื่องอัชญยกรรมตลอดอะนะเบือ่อนะทุกวันนะเปิดทีวีก็ฟังเสื้อแดงว่าอย่างงาู้นกบะสว่าย่างนี้นะ วันนี้ประท้วงใจห้าคนพรุ่งนี้ปร ะ, ประท้วงเจ็บมันคุณอ่านช่วยได้นะคนที่เพียดการเมืองนี่นะแต่ไหนๆเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองแล้วนี่ก็ถ้าถ้าถ้าหลุดพ้นไม่ไดนะ้เอาคุณอ่านมาอ่านช่วยได้เยอะเลยคือถ้าถือว่าเราได้เสพการเมืองแล้วก็หลุดพ้นไม่ได้อ่ะนะผมแนะนําให้ ไปประท้วงแล้วเอาคุฎอ่านไปอ่านด้วยแล้วบางทีไปประท้วงเออก็ร้องเพลงแล้วเธออันนี้เราก็หนีนะเอาคุฎอ่านไปอ่านผมแนะนำนะคือไหนไหนไปแล้วแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อนักุิชการแล้วก็ต้องไปนะเอาคุฎอ่านไปไปทุนไปอ่านจะได้ประโยชน์มหาศาลมากกว่ากําลังสุเทพแน่นอนนนี้พูดเรื่องอัลวาสีละลัลลอฮฺซุลฮนะอฺวะตาลาตฺ ให้เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์แต่อย่าลืมเราได้ปฏิบัติตามคำสั่ ง, งเราเพื่ออะไรเพื่ออะไรเดินหิวหิวเดินเจอเคฟซีหอนะยากกินหอ เขาไม่กินไม่กินแล้วไปเลือกกินไก่ทอดของของนิของกะของใครก็ไม่รู้แต่เป็นมุสลิมมากูมกีอ่าอะหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมธรมธรมดามธรรมดามธรรมดาเราทำกันจนชินแล้วอ่ะเออกินของฮลาลาสิทำกันจนชินแต่ในในอุดมมคติของมุสลิม จะต้องทําเรื่องนี้ด้วยเจตนาทําเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวทางให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่นะไม่กินเคฟซีจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใช่สิครับเลีกเลี่ยนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามหรือที่มันเป็นชุบฮั์และเลือกสิ่งที่อละอนุมัติที exactly. ่มันฮัลแล่นั <S <S ่นนะจะทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮลลอฮฺอัลลอฮ ไม่ศีลธรรมะอย่างเดียวนะที่จะทําให้เราใกล้ชิดอับเราไม่ใช่สิครุลล่าไม่ใชอ่านคูรานอย่างเดียวนะไม่ใช่หละการศาสนาทุกประการทำให้เราใกล้ชิดกับเราเจตนาลมของเราในการดําเนินการชีวิตดํารงชีวิตโดยเอาเจตนาน h i เนี่ยมาตั้งเป็นเป้าหมายมาที่เนี่ยมาตัดสีนเนี่ยมาทะไารามาเรียนรู้กุรานทําไมอยากอยากอยู่ใกล้ชิดกับเรา อยากรู้จากอัลลอฮ์อยากเข้าใจอัลลอฮ์คิดดูสิทุกเรื่องที่มันเรื่องเรื่องฮาล랄ไม่ใช่เรื่ ال, งองงายบาดาชัดๆเลยนะไปสมัครทา ง, งานอา้าวงานนี้ก็ไม่ให้ละหมาดนงะกูไม่เอาเอ า, เอางานที่มันสบายดีกว่าไปละหมาดสบายเงนนยนะินเดือนน้อยละเราเองบางทีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่แค่เลือกทํามาหากินในแนวทางที่อัลลอฮ์ตอบว่าใชนี่ก็ถือว่าถูก ยุดไปอยู่ใกล้ชิดกับเราระดับนึงเลยอัลลอฮฺจึงเตือนสติพวกเราให้เรื่องนี้อยู่ในจินตนาการออัอลลฮมินุานรีมิิลลาฮ์อัลลอฮฺอัลอฮฺมิให้หนุนสุตานุรุจีมุสซิบบลลอฮ์อัลลอ ه ا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ้อสุายอิตะ الله ขุนยามเปยนอัลลอฮ์เถิดตะวันนี่เป็นคำสั่งที่มีในอุษานเยอะมากเลยตะพุ่มบอลเรา Allah สั่งทุกประชาชานแล้วนบีก็เอามาสืบทษดคำสั่งของอุษานเนี่ยใช้กับสอฮาบะใคร ขอคําแนะนําข้อตักเตือนนะพี่ก็อิิพลาอัว่าเราเราอยู่ด้วยกันนี่นะใครขอคําแนะนําก่อนที่จะแนะนําทุกเรื่องเช่นเข้ามาขอปรึกษาข้อแนะนําเรื่องการทํา ม, มหากินเรื่องสมัครงานเรื่องโน่นเรื่องนี้ กนที่จะแนะนำเขาเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยอาอันนี้ น, นําแม่หอึงแนะนําให้ตะ ก, กว่าดอกร้อนนะอย่าลืมสังคมที่มีการตัดเตือนกับเรื่องตะ ก, กว่าดอกร้อนนี้สังคมสวยงามมากกลาเป็นสังคมที่เตือนกันไม่ให้ลืมหมดหรอกไม่ให้ลืมพระเจ้าถ้าเรานี่เตือนกันเนาะ อย่าลืมกินนมก่อนนอนอย่าลืมทําการบ้านนะอย่าลืมปิดไฟอย่าลื้อย่าลืมอัลละฮ์นี่แทปไม่มีเลยเออเฮอย่าลืมปิดไฟรถนะอย่าลืมเติมน้ํำนะอย่าลืมดูสุบนู่นหยดไปนิดเดียวอย่าลืมตะขวดตอนนอนนะตะขวาฝาก ฝากยีมเกรียนต้อมเตือนภรรยาเตือนลูกลูเตือนสามีเตือนเพื่อนบ้านและตะกวานี่เป็นคนําสันญามั่นที่ที่หนักแน่นที่สุดสําหรับบุษตาเหมาะ ก, กับสุร้อย่างยิ่งเดี๋ยวจะมีเยอะในในซุนไอ ม, มีไดแต่ตัปุลลอห์อีกตัปุลลอตัปุลเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋มาแต่ตรงนี้ มันเหมือนเป็นคำสั่งนําหน้าเหมือนกับว่า <c oughs> คนขอขอข้อแนะนำะคุณหมอคุณหมอนี่ผมมีโรคแบบนี้แนะนำรักษาไงนี่นะ ตั้งสติให้ดีน ะ, ะและทำอย่างนี้ๆๆ <ๆ S 1> มันมันมีคำสั่งนำหน้าให้คำสั่งต่อไปเนี่ยจะถูกรักษาถูดูแลเป็นพิเศษตะวันเนี่ยเป็นเช่นนั้นพอไปดูคำสั่งขัดมานี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าเบตากูอิลัยฮิลวสีละทุนเงีง้ยงเกรงอัลลอฮ์เถอด และจงสะแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์จงสแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์สื่อไปสู่พระองค์แล้วเราอยู่ไหนอ่ะก็สมมุติฐานของมนุษย์ทุกคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลย<ม>ด้านความเชื่อ ดันปฏิบัติสมุติฐานของมนุษย์คน น, นี้เนว่าเป็นคนที่ห่างไกลจากอไม่ได้อยู่ใกล้อัลลอถ้าเราไม่ละมาไม่ถือสินโไม่อ่านคุรานอไมป่ปฏิบัติตามมารายาของอิสลามสมมติฐานนี้ว่าเราห่างไกลจากอัลลอฮ์ a ม่รู้กี่ล้านกิโลสมมติอ่าเรื่องละหมาดนะไละ ล, ล้านกิโ พุ่งไปลล้านกิโลหรืสินดพุ่งไปอีกและการรักษาตําแหน่งความใกล้ตลอดเนี่ยด้วยการรักษาการกระทําเหล่านี้มันไม่ชิลหมาดครั้งเดียวแล้วก็พุ่งล้านกิโลแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ใช่คือต้องละหมาดตลอดจะได้รักษาล้านกิโลนี้มันอยู่เสมอแต่ถ้าละหมาดครั้งเดียวเนี่ยแล้วทิ้งกันนะมันก็ถอยไป เข้าใจเลยว่าสื่อนี่หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุฮาโนตาภายหลังที่ได้กล่าวว่าอิตตะกุนรอจงยีมเกรงอัลละฮฺแสดงว่าถ้าเรายีมเกรงถ้าเรากลัวอัลลอฮฺจริงนะเราก็ต้องแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราเนี่ยใกล้อัลลอฮฺสุฮาโนตาแล้แต่มันเป็นเรื่องแปลกนี่พ่อ อธิบายละเอียดนะปิตะพุน่นมอนิคำสั่งมาจากกริยาวกรนามของมันนี่คือวิกอยะแปล ว, ว่าจงให้มีบางเรื่องก็จะอธิบายนี้จงให้มีสิ่งป้องกันระหวา่างความโกรธเริวของ a ล l a h กับตัวเราให้ มีอะไรมาป้องกันเรานี่ให้ห่างไกลจากความโกรธกริ้วของอัลลอ์บางอธิบายก็บอกว่าจงให้มีกำแพงมีให้สิ่งป้องกันให้เราห่างไกลจากการลงโทษนรกของอัลลอฮ์จั่วิการ์ตันเบนักอาดบอิลให้ห่างไกลจากการลงโทษนรกของอัลลอ์ กัวอะไรนี่ก็หนีมันเห็นงูกลัวงูนี่ยหนีงูใช่ป่ะปไปหางูเห็นสิงโตกลัวสิงโตนี่ก็หนีแต่นี่กลัว a l l a ะทำอะไรแปลกไหมล่ะกลัว a l l a ะทำอะไรเข้าหา Allah แปลกไหมล่ะถ้ากลัว a l ล a h จะกลัว Allah ถ้ากลัวล l l a h จริงนะอีกตั้งคุณไว่ากลัว Allah แยมเกรงอะไรแต่กลัว Allah จริงนะนะ ให้มีสื่อเข้าไปหาเข้าใกล้หาวสุภาเราลึกซึ้งมากนะครับแต่พอไปอธิบายกันว่าวาสีแล้วเนี่ยสิ่อมันก็จะสับสนนิดหนึ่งบอกแล้วหลายครั้งว่าบางทีแปลคำสัพท์าาอ раб นี่มันมีที่ไปที่มาเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของคำม นะเช่นคำศัพท์ในภาษาไทยบางคําเนี่ยภาษาอังกฤษไม่มีเช่นมีเถียงกันนักวิชาการหาคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแทนแต่ไม่มีเกรงใจเถียงกั น, นตักกาเกรงใจมีมไหมภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีมมเป๊ะๆนี่ไม่มีต้องต้องอธิบาย หลายคาําภาษารับก็แบบนี้แหลนะคือจะแปลเป็นภาษาไทยนี่คําเดียวนี่ไม่ได้มันต้องอธิบายถึงจะได้ได้ความลึกซึ้งของมันอวะว่าซีแานี่ถ้าเออนี่ว่าซีแลแปลว่าแปลว่าสิ่งที่จะทําให้เราบรร ล, ลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดแต่เขาแปลว่าซีแลแปลว่าสี่มันก็มันก็นกระดับหนึ่งนะ ระดับนงแต่มมายกตัวอย่างวันศีละอะไรที่ทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับ Allah เช่นละมาเช่นสุ j ในอุรอรนมีบอกกัลละละตุติอวัสจุดวักแทรบย่าเมันไอ้คาเฟ่ไาเฟอย่าเมันดนี้เราเชื่อเ อยากจะมันละตัวเขาวสจุดละจงสุจุดวัตริบละ hadis นบีเขาอธิบายอัครบุตรไม่คุณลูกผู้รับบุญของพระเจ้านั่นบอกว่าไก่ชิ้นทีสุดเนี่ยขณะสุจูอธิบายได้ว่าทำไมตอนสุจูนี่เราสบายตั้ดี ข้าสุยูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้าที่ไม่น่าจะอำนวยความสะดวกมากนักแต่มันสบายใจในหลายเรื่องข้สุยูดเคยเล่าเรื่องคนเยอรมันที่มีโรคกระวนกวายกินยาก็ไม่หายไปหาหมอไปทำทุกอย่างก็ไม่หาย เขาก็ลองทุกอย่างจนกระทั่งลองทําท่าทุกท่าเลยโยกะอะไรต่รางๆลองลองทํานี้ทำอย่างนี้อนอลองก้มนีเพอก้มแล้วนี่นี่ยสุยูญนะคราบไม่แการู้สึกโล่งเลยรู้สึกโลก่งแต่โรค ก, ก็ยังไม่หายเมื่อไหร่มีปัญหากังวลก้อนนีกน้ก็ก็จะก้ม มีวันหนึ่งแกก็นั่งนั่งรถเมล์ท็กซี่ที่ประเทศเยอรมันหเห็นมั ส, สยิดมั ส, สยิดทนะี่น้นนะพีนอมุสลิมก็ต้องเช่าห้องเช่าร้านจพอดีที่มันเล็กกับมุสลิมเยอะเขอละมาแล้วล้นล้นก็ไปแล้วไปล้ปลมากันหน็อกก็เ ส, สียเพอาะละมาแล้วมุ ส, สิเนี่ย <laughs> คนเดินทางสัญจรนี่เขก็เห็น พอเ อ, อินีเดินทางนั่งแท็กซี่เนี่เห็นมุสลิมละหมาดกำลังสุญูอยู่ทำเหมือนฉันนี่มันทำเหมือนฉันเฮนิกล้ดาก้าอะไรลงเลยลงไปถามพรก็ละหมาดเฉยพวกคุณทำอะไรกันน่ะทาอะไรอ่าก็โชคดีนะคือได้คนไม่ซื้อเบื้อไม่ไม่ตื้นตืนต่ะ นะถ้าเจอแบบมุสลิมที่กำลังรำคาญอุลา ม, มานุนรรฆที่มีคนมนันทาอะไรเสืออะไรจบเลยนะนี่เจอชคดีนะเจอมุสลิมแบว่จีนพอเจอหน้ายิ้มนี่อะไรอ๋อนี้เราเป็นมุสลิมครับเรานะ ม, มาดที่อัลล์ยาวเลยครับจนรับอิสลามโชคดีนะอนอะไรเจอพวกเราสักคนยังไม่รู้จะเป็นอะไร น, น้องนี่ถามภาศาเยอรมันนี่แล ม, <laughs> มีคนเดียวได้เร <laughs> ื่อนสุ j ูดถ้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุฮาห์นะโมะตะก็แสดงว่าวาสีล่านี่หมายถึงว่าไอมาได้ทุกชนิดคำสั่งทุกประการที่ทำให้เราเข้าใกล้อัลลอฮฺสุฮาห์นะโมะตะนั่นแหละทำให้เธอ ด้วยเจตนาที่จะให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานอวะดาลามากที่สุดแต่ว่าซีละนี่ถูกขยายความหมายการขยายความหมายมีที่มีเหตุผลด้านละกัารศาสนาอะไรที่ทำให้เราเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานอวะดาลาา ไอบาดะของเราทําไมบาดะก็เข้าใกล้ชิดแล้วเราจะขอดุทิศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะดาร์ขอดุทิศด้วยสิ่งที่ทําให้เราเข้าใกล้อัลลอฮฺสุบฮานาวะดาร์ละก็คือด้วยไอบาดะที่บริสุทธิ์ที่สวยงามเหมือนคนสามคนที่เดินทางฝนตกเข้าไปแอบในถ้า กินก้อนใหญ่นี่มาปิดปากถําเอาละสิสามคนบอกว่าหนีไม่รอดนะนอกจากอัลลอฮ์ะจะช่วยเหลือเราทำยังไงขอดุอากันด้วยอามัเ ด, ดีดีที่เราได้เคยทํามาหนี่ให้อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือเราให้พ้นจากวิกฤตนี้คนแรกขอ อ, อุทาอด้วยขอขอแม่เขากตัญญูต่อพ่อแม่เขาอย่างเต็มที่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง ไปเอานมมาให้พ่อแม่พอมาถึงบ้านพ่อแม่ช่วงค่ําพ่อพ่อแม่นี่หลับไปซะและ้วแต่เขานี่สัญญาไว้ว่าจะไม่ให้ใครกินนมนี่น้ํานมนีน่นอกจากพ่อแม่กินสะก่อนทีนี้เมียลูกนี่มาขอกินแมาประเดี๋ยวกันให้พ่อพ่อแม่เขาก็ขอร้องให้กินก่อนแล้วเาก็ไม่ยอมจนกระทั่งยอมแพ้แล้วก็หลับไป เขาก็ยืนถือถ้วยนมเนี่ยยืนทั้งคืนรอพ่อแม่ให้ตื่นจนตื่นตื่นแล้วก็ป้อนให้พ่อแม่กินนมเขาบอกว่าโอ้ a l l ท้าข้าพระเจ้าได้ทำเรื่องนี้เพื่อพระองค์ท่านฟังให้ดีทำดีกับพ่อแม่ไม่ได้หวังมรดกนะเพราจะรู้พ่อแม่บอกว่า มึงอย่าฝันเลยนะอย่าฝันเลยนะมรดกท่านเนี่ยมึงไม่ได้คงไม่เอานมไมห้กินหรอกเอายาพิษมาวางยานะอ่ะหรือว่าเจอพ่อแม่ประเภ ท, ที่มาดู่อว่าอ้าวแต่แบบนี้ฉันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาความดีกับพ่อแม่ไม่ใช่ทำดีกับพ่อเพื่ออัลลอฮ์นี่นเรื่องเป็นเรื่องอันตรายมาก ทำความดีกับคนพ่อหวังดีกับเขาอ่ะแม่ก็นั่งพ่อแม่กัจจันยูต่อพ่อแม่พ่อหวังมรดกจากเขาเนี่ย น, นี่ไม่ได้กพรากตจจันยูไม่มี บ, ลบุลบุญทำความดีกับพ่าแม่เพราะอัลลอฮ์สัง่งกัันยูต่อพ่อแม่เพราะเป็นไอแบดดันถึงจะมี บ, ลบุลบุญถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์นี่นะได้ปโปรดให้ฉั น, น AH คนอัลลอฮ์ขยบก่อนเห็นไปนิดนึงอีกคนหนึ่ง บอกว่าฉันไมมีลูกจ้างมาทำงานมาโห o กันเรื่องะไรนี่มันก็ไปทิ้งข่าจ้างฉันก็เอาข้าจ้างเนี่ยไปมุดดอรบะแบบบริสุทธ์นะมุดดอรบะคือมาลงทุนมาเอาเป็นหุ้นเงินของเขานี่ของลูกจ้างนี่หมุนเวียนจนกระทั่งเป็นทรัพย์สินมหาศาลเลยมีวัวเป็นพันฝูงเป็นพันมีแพะเป็นพัน มีอูดเป็นพันมีไปซื้อทาดเงินมันหมุนแล้วเขาได้อมานันี่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ลูกจ้างม่รจะมาไม่มาเนี่ยก็เก็บไว้เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแลมีวันหนึ่งลูกจ้างกลับมาสมมติว่าเขาติดค่าจ้างสามร้อยบาทอย่างเ<ม>ง้ขาก็กลับมานี่ยเกิเจ้านายนี่ประเภทประเภทแบบไม่ไม่ยอมรับใครนะ ก็เลยมาเตือนบอกว่านี่ท่านต้องเยี่ยมเกรงลลนะเอาลนะ้อนะเอาค่าจ้างนี่สามร้อยบาทเอามาอมาดีๆนะคราบครัวจะเอาค่าจ้างนี่นุ่นฝูงวัวฝูงปูดฝูงแพะแล้วก็บ้านที่มีทาต ม, มีทรัพย์สินเนี่ยนั่นและนั่นนะนนนะคือค่าจ้างท่าไม่เี่ยทะาน่งนะเอาสามามร้อยบาทมาดนะเอามาอย่างดีๆนะอสามารอบาทผมะมีเที่ยมาท่าน่งก็ไม่ใช่เวลาท่านลืง ในฮะดีษนะลาตฮะบีอาบด ullah ยายายย์เยฉันเลยไมิจิเวลามรุูดเล่นกันเข้าไมได้บุดเล่นนี่ทรัพย์สินของท่านค่าจ้างนี่ฉันเอาไปลงทุนเลี้ยงดูแลจนเป็นเขาขอดูอ่าน่ะเาบอกว่าโอ้อัละลูกจ้างฉันคนเนี้ยเขาเอาทรัพย์สินทั้งหมดเลยนี่ไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว คนมีอามานะแบบนี้อ่ะนะข้าจ้างสามรอยบาทมีจนเป็นสามรอยล้านอย่างเงี้ยเออต้องฮะดีะเขาซะหน่อยหรือก่อนไปนี่เอออย่างนั้นเดี๋ยวฉลองกินวาาัวหันสักตัวหนึ่งไม่เขาบอกว่าคนไปหมดเลยแต่ที่ยอดเยี่ยมอ่ะวัเจ้านายนีย่ไม่ติดใจเป็นสิทธของเขาเป็นสิทธสิทที่ของเขานี่ก็อย่าหวังอะไรเจ้ารหวังผลละบุญตอ่อเราแต่ไม่สกินมาขอทาน ได้แล้วได้แล้วก็เอาตั้งเจแล้วก็ไปดูเสี เ, เลวมิสกินแค่ขอบคุณจะจะก็ลอยังไม่เป็นแล้วตกลงเราต้องการตอบแทนจากมิสกินหรือจากอัลลอฮ์ระวังนะครับพี่น้องแต่สุดยอดของคนคนนี้นะนะที่กำลังขอดุอิศ ด, ด้วยอาเมนที่บริสุทธิ์นี่อัลลอฮ์ถ้าข้าพเจ้าทําเรื่องนี้เพื่อพระองค์ท่านได้โปรดช่วยหลุดช่วยเหลือพวกเราด้วยก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งมาคนที่สามอันนี้สุดยอด เหมาะกับปลรินทไทยรักหญกาผู้หญิงคนหนึ่งรักมากเลยรักอยากจะเป็นภรรยาเขาไม่ไม่ได้เขาก็ไปแต่งงานไปอะไรจนกระทั่งถึงเวลาวิกฤตต้องการใช้สตังไม่มีสตังก็มาขอยืมเขาก็ได้ได้จังหวะเขาบอกว่าได้ช่วยแต่เราต้อง จีนากันเราต้องจีนากันตลอดชีวิตเนี่ยรอวินาทีนี่จนถึงเวลาที่จะในฮะดีษที่อธิบายเลยนะในฮะดีษท่านบีพูดเลยนะจนกระทั่งจะจีนาแล้วเนี่ยคุยอินฟูร์ไว้คำหนึงอิตตะิลละเนี่ยหมายละอิตตะติลละจนยอมกรงอัลลอฮฺวะลาตฟดัลขาตเมอิลลาบะฮ และอย่าเปิดประตูนอกจากต้องมีอันนี้วยคคำว่าอิ ต, ตะกลลานี่เขากลุกขึ้นเมนูอาเนี่เขาบอ ก, กว่าโอ้ล้อฉันเนี่ยลุกขึ้นขณะที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ในความต้องการของฉันที่มากที่สุดแต่เลิกเพื่อพระองค์ท่าน อัลเราถ้าข้าพเจ้าได้ทำเรื่องนี้เพื่อพระองท่านจะได้โปรดให้ฉันให้พวกเราพ้นจากวิกฤติกนหินมังก็หลุดไปสแสดงว่าการเมลของพวกนี้เนี่ยมันไปอยู่ในความการบันทึกของขาาอัชสมานาวตารจนเป็นวาซีลาเป็นสื่อของ Allah ด้วยการที่เราได้ทํานี้เนี่ยเราเราอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ล l l a h เราเราห่างจากพระองค์ไหมถ้าเราไม่ห่างถ้าอามร์นี่มันเข้าท่ามันใช้ได้อะนะถ้าเราอยู่อยู่ใกล้พระองค์่ช่วยช่วยพวกเราด้วยนี่นี่เป็นภารกิจของมนุษย์ทุกคนค้นหาตําแหน่งของตัวเองของ Allah ไม่ใช่มนุษย์เมียรักฉันไหมสามีรักฉันไหมพ่อแม่พอใจไหมเจ้านายฉันพอใจไหม คน น, ون, คนนู้นคนนั้นดีใจกับฉันไหมเลนแค่ไหนละ่ะอันลัสุฮานุวตาละได้แต่งตั้งเราอยู่ตรงไหนห่างจากอัลลอห์ห่างจากอัลละฮ์กี่เมตรกี่กิโลเมตรกี่ล้านเมมีอันหนึ่งสีล้านซึ่งคนเราส่วนมากก็เวลาทำความดีนะมดเนี่ยก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่เคยคิดว่า อา말ของเราจะทำให้เราเข้าใกล้อัลลมากน้ยแค่หนเช่นละหมาดกันท่ละมาันยืนสบกันใกล้ชิดกันแต่ละหมาดของแต่ละคนนะอุลามะบอกบางคนมีละหมาดหัวใจอยู่ห้องน้ำฟิลพุชและคนใกล้เขาเนี h ยทิศละหมา h ติดเขาเนี่ยหัวใจเขาอยู่ใต้หลังอัลลอฮฺอยู่บ คนนึงอยู่ห้องนะ้ำมีคนนึงอยู่ใต้บนันหลังอีคือตำเนินไก่ชิดแค่ไหนละ่ะอีกอันหนึ่งวสีลนีงด้วยพระนามของลระสุพรรณมรดรมีไม่ใช่งานการงานของเราแต่การเ อ, อ่ยพระนามของพระสุพรรณ ซื้อซื้อนี่ได้ยซื้อกุญแจจะเข้าประตูนี่เอาเอากุญแจไขาบางทีกุญแจนี่ตันกุญแจก็จะตันกุญแจนะฟันนี่บางทีเนี่ยมันผิดซี่เนี้ยไขยไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ประตูไม่มีกุญแจแล้วนะครับ เขามีรูปบัตรมีกดรหัสก็เข้านี่แหละอยากจะเข้าหา Allah ไหมอยากจะใกล้ชิด Allah ไหมมีรหัสเอาไหมอืมพระนามของ Allah و َ ل ل ه ا ء ُ ا ل ْ ح ُ س ْ ن َ ع و ه ب ه ا ุอาเออยากจะถึงไหมกดรหัสตานอัลมา อัลฮุสนาราดพนามุลขออุดมด้วยพนามก็เป็นสิ่งที่ดัมชอัลลอฮ سبحانه แะ تعالى ดังนั้นฮะดีษมังบุ k h a r ท่านนบีซัลลัลลอฮฺอวยสัลลฺมกล่าวว่าอินนัลลอฮฺทีซาตานว่าจะใชน้สมาอัลลอฮฺทรมีเก้าสาอัลลอฮมีมากกว่านั้น คือแต่มีแค่กาสิบก้านี้มีอินเ ل ามาลิลอห์ที่สัตว์ตัวที่ใส่รนอัลล์้าสิบกาอันนี้ก็มีมากกว่านี้แต่ที่ที่กาสิบกนี่คือที่อยู่ในคุรานและฮะดีสมันอั ا ซ่าฮ ل ดัชน์หล ا นจันน ر و รมพนามี ศึกษาบา้านา้นี่พุทปฏิปัตตามะฮะคนก็นามนี้ดั่งคนละจันนะข้าวสวรรค์ใกล้ชิดมะแสดงว่าการเรียนรู้บ้านนมนี้ทำให้เราเข้าใกล้ชิดอัลลอสปานท่าสามวศีละเหมือนกันนะไอราเนี่ยไอบาด้ก็แย่ ขอดุอิก็ไม่เป็นขอดุอาแบบดีๆนะไม่เป็น <c oughs> เราก็ขอดุอิต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไปหาคนซอยแหลที่เรารู้ว่าเขาเนี่ใกล้ช AH. ิดกับอัลลอฮ์ตรู้นี่ว่าไอ้ไ อ, อ้ไอ้นี่มันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วบอกกับเขาบ้างช่วยขอดุอิให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาศผมฉันด้วยช่วยขอดุอาให้ฉันเป็นคนดีด้วยช่วยขอดุอาให้ฉันห่างไกลจากเรื่องนี้ ต่งช่วนี่ด้วยไอ้บางนั้นก็รักเราด้วยความรักความเป็นห่วงนี่กลางคืนเขาก็ลุลกขึ้นละหมาดกลางคืนแล้วก็ขอด้วยไอ้เราเนี่ยเป็นคนชั่วไม่คิดว่าจะเต้าบัดสักทีแต่ตีนเช้าอยากจะต้าบัดยังไงไม่ไี้ทำอะไรเลยนะอยู่ดีดีนี่อลัลลอฮ์เรียกแล้วอ่าเองจะเป็นคนสอนแะนะ่ มำลไอะไวาซีลานีก็คือคนซอนแที่มีชีวิตเนี่ยที่เขาขอดวงอนนี้อัลลอฮ์รับดวงเขาอัลลอฮ์รับเราเก็กลายเป็นคนดีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนี่เป็นวาซีลาสมัยท่านดเวียเรซาฮับเขากระทำอบูฮุรรอนีดาวา ชันชวนแม่เขาเข้าศาสนาไม่เข้าสัทีเอ็ทุกทีไปพูดเรื่องศาสนานี่ไล่ดุนอนดาเราก็มาบอกกันนบีท่านทาสุดความสามารถแล้วขอดุทอายขอดุอายแม่เลยนบีก็ขอดุอา้ขออุทายพระบุคคลรักับบ้านได้ยินเสียงน้า เหมือนคนอาบท้จะเข้าบ้านม่บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ากำลังอาบน้ว่าอาบน้ำเสร็จแล้วให้เข้าแม่ก็บอกว่าแา่อละอล้ลอยขึสุดอันบัวมันไม่บีเอี ย, ออยงเี้ครับหัวใจที่เราคิดว่าเราจะฉลาดแค่ไหนที่จะเปิดหัวใจของชาวบ้าน ทั้งนั้นดีเราศรัทธาว่าหัวใจนี่อยู่ที่ Allah. อัลลอฮ์แต่หัวใจอยู่ที่มือเรานิ้วเราอะนะไม่ต้องไม่ต้องพูดนะครับเ อ, เอาเอามือก็ควักหัวใจเราเปิดเลยมันไม่ใช่ฮะฮิดาวะเป็นปีเป็นสิบปีอะไรที่ทำให้เขาฮิดายะไม่ใช่การดาวะของเราเหีย้ยประมาดนะครับ <c oughs> เรื่องบูอากงคนสอเลยบางคนเนะ่ยนะในชีวิตเนี่ยหาซื้อของของดีๆนะของดีๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่นะเป็คนมีมานะหาซื้อของเก่าต้องตรงเก่ากึ่กนาฬนะิกาเก่ารถเก่านะ ต้เนเกมยินเก่ามีและล่าสุดนี้ได้ยินสรรบัญเก่าชมรมรักชมรมรักสรรบัญ น, นี่มีในบ้านเราก็าไปหาสรบัญนี่เาใครที่ไปมุกกอนแล้วก็ซื้อสรบันอายุยี่สิบสี่สิบห้าสิบยก็ซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีสารบัญจุลาตัวนะอะไรนี้โอ้ไม่ธรรมดานะสะสมกันขนาดนั้น แต่การที่เราสาะหาคนซอเลนี่ไม่เคยลงทุนกันเลยนะดูดิใคระลักษณ ะ, ะลักษณะคนซอเลนต้องเป็นยังไง <Allah. S 1> เราเนี่ยยังถามบางนูนนน้นคนนู้นคนนี้ว่าบางฉันฉันกำลังหานาฬิกายีย่ห้อยี่ห้อโอเมก้าที่ที่ผลิตหกร้อยปีที่ผ่านไปแล้วนี่ฉันฉันต้องดูอะไรบ้าง อ่เขาบอกว่าต้องดูเข็มนี้นะนะอะไรเงี้ยแต่ของแท้นะมาตรฐานแต่ได้ดูของเก่านนะนลเลนี่ดูตรงไหนอะคนโซเล่หนี่ดูตรงไหนคนโซเล่หนี่ดูตรงไหนกอดูนี่เห็นไหมเส้นดานอย่างนี้อย่างนี้นี่โซลเละเต็มเลยครับพี่น้องเต็ม <c oughs> เลย มันเข้าใจกูอ่านผิดันซีมาห์ผมที่อยู่ที่นอัทร์สุ j ูดเนี่ยที่กูอ่านพูดถึง صحابة อ่าสัญญาณของสุ jud อยู่ที่อยู่ที่ใบหน้าของเขาคุณกัเข้าใจนี่ใช่มันคือนูร์มเกกันนี่นะอ่าผเคยเห็นน่ะเคยเห็นน่ะอย่างนี้เลยบุรีแล้วมาซเราแลมอง แล้วก็มันสลลห์ยังไงะครับสัลลห์ยังไงก็มันก็มีอย่างนี้นะมันไปอะไรแปลกๆอ่ใช่มลานอบุลซันอันนัดวีเนี่ยเป็นอุลามะที่อินเดียสอนเสียชีวิตแล้วสอนที่นารูตูโรนมาบันดามลานบันดาอุลามานี่เสีวมากว่าเล่น ใครที่ไปเรียนนัดว่านี่จะเห็นเลยขึ้นบันไดลงบันไดนี่หมากเต็มแต่จะมีอุลามาไม่กี่คนนะครับมีอุลามาไม่กี่คนไม่มีไม่เคี่ยวหมากเขาบอว่าท่านบางีอุลามาที่อินเดียนั่นนะเขาถือว่าหมากนี่ไม่ฮ ARAM ไม่มักโร่แต่จะมีอุลามาบางคนนี่ไม่เคี่ยวหมากอับุลฮัสันไม่เคี่ยวถ้าเคี่ยวไม่มีใครทำนี ทำไม อ, อคาวรงไมอะไรล็กๆไม่น้ยนี่เนี่ยควานี่สนยียลักษณ์สนยียลักษณ์ของคอนอนนี่ของแปลกๆแบบนี้เรื่องวร้ละมาดคนทดิละมาดเป็นนั่นน่ะคนสอเละมาดเป็นน ะ, นน ล, ล, ะละมา คนละมาบอกว่าเห็นคนละมานีรนรู้นี่รู้นี่ว่าคนนี้นี่กำลังติดต่ออัลลอฮ์อยู่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นได้ยินเสียงคนอ่านพุดอ่านรู้ว่าอนี้เสียงเนี่ยเป็นเสียงคนที่กลัวอัลลอฮ์เสียงคนที่เอมเริงอัลลอฮ์มันต่างกันนะต่างกันนี่ว่าศีลละที่อัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยได้แสวงหาทําให้เรา เข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺสุลฮานะตะนะแต่มีวศีละที่อุตริกะไม่มีที่ไปที่มาหรือไม่มีคำสั่งชช้จากอัลกุรอานหรือคาดีสเนี่ยให้กระทําเช็นไปขอดุอาให้คนที่เสียชีวิตแล้วนี่ที่ขอดุอา ไปภอนบีอย่างเงี้ยนบีชวยขอรัวใจฉนหน่อยนบีช่วยให้ฉันฉันคนดีนั้นบีจะช่วยยังไงนี่ขอดัอาจากนบีบางคนนี uh ่ไม่ได้ขอดัจากนบีบางคนนี่ยขอดัอาจากอัลลอฮ์นี่ซาตานมันเนาะขอจากอัลลอ์เนี่ยแต่ให้นบีและคนซาเลที่ตายไปแล้วนะเป็นสื่อ Allah, ขอต่อพระองค์นด้วยนบีไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะนบีไม่ได้สอนฮะดีสบรรเรื่องมัลติมี ด, มมดีที่มี น, นบีบอกให้คนตาบอดขอด้วยแบบนี้เป็นฮะดีสไรฟยิดดันที่มัลติมีดีเอง แล้วการสอนขอดุทิของท่านนบีที่มีในหะดีซทั้งหมดเนี่ยไม่มีปรากฏแบบนี้เลยและอุอาของสฮาบะห์ทั้งหมดเลยนี่เนี่ยไม่ไม่มีปรากฏแบบนี้เลยและหะดิซสฮัยที่บางทีเขาอ้านแต่อ้างผิดหะดีซมานียัมบุคารีท่านอุมรินลขตัมช่วงหนึ่งมณีน่าในแห้งแล้งไม่มีฝนเขาก็ออกไปละหมาด ขอาวนแต่มาอิสติสกาอามาร์อ ม, อรมีข้อตกลงกับมุขอดูอัก่อนโอ้ล l l a h ตอนที่ท่านนบีอยู่กับเราเราขอฝนด้วยท่านนบีคุณบอกนี่ง่ายขอด้วยนบีใช่ก็อามาร์บอกว่าตอนที่ท่านมีชีวิตก็เราบอกนะไงไปขอดูอาจจกคนซาเลที่มีชีวิตนั้นนะได้ได้ ก็คนซาเลนี่ช่วยขอดุทอาให้อัลลอฮ์ให้ผลหน่อยไปหาคนซาเลคนซาเลนี่ช่วยขอดุอาให้บรรทินายมีเสงบสถยมันดูไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยไม่มีบันไดลงแล้วทหารก็ไม่เอาแล้วไม่มีใครเอาแล้วน่าจะมีคนซาเละสักคนหนึ่งขอดุทอาให้มนุษติสถยีไม่มีทางรอดเลยลาอิสลามิญดุนอัลกะช มีชีวิตนะไอ้ที่ไม่มีชีวิตนะอม وات غير อ حياء ว่มาชูรุนอ้เนีนยุบะทุนอัลลอฮบอกคนญุคานี่เขาจะทำยังไงละหรือคนซอละที่เสียชีวิตไปแล้วมาบูชาสร้างเจวิตหรือไปทีู่โบเาแล้ววิงวอนดอาเาอัลลอฮบอกอม وات ตายแล้วไปรวัวเพียะไม่มีชีวิตว่าไม่ شعور น, นันึงว่าสู้แม้กระทั่งวันเกียรมาจะฟื้นคืนชีพ ม, มาได้เขาก็ไม่รู้ไปขอให้เราพ้นจากพยันตรายของวันเกียร์มาได้อย่างไงไม่รอดหรอกเขาก็ไม่รอดขอได้ไงเขาบอกกันนะบนบีไอพวกที่บูชาจเจ้าเว้น่ะนึกวเราไม่ได้อบายได้มัน ไม่ได ah ้บ uh um, ah, ัตเตอวิ่ إ อิลล้าลิยุคร์มาเราบูธุ่มอิลล้าลิยุคร ف ูเนาะเราอิบัตเต์มันเพื่อให้มันเป็นซื่อนี่เป็นซื่อให้เราเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ลิยุครบูนอิลลอฮไปบูอาตตกี ให้ดอากูโบน่ะบีน่ะโอี่เคยเห็นแกตานะตอนนั้นยังไม่ดีแวตาตจริงลสุูดสุูดใหู้หัหลังห้คบลัดสุยูดใหกูโบหันหลังให้คบลัดมีอบาดกูชัดๆมุนมิษกเซนะมิกเซน ที่คยรู้สุ้ยุทให้กูโบถาว่าทำนี้ทำไมอ่ะทำนี้ทำไมเขาบอกว่านีฟ่ฟังให้ดีที่อุลมะก็อธิบายอาหรับนี่เขามีประเพณีเน่นะเวลาจะให้เกียรติใครอ่ะนะเขาจะเขาจุบเขาจะจูบศีรษะจูบศีรษะหอมศีรษะเขาจะจับหัวนิ่ง อย่างเช่นเด็กนี่เด็กนี่ก็จับหัวผู้ใหญ่นี่เขาจุบจูศีรษะบ้านเราทําไม่ได้นะไปจับหัวผู้ใหญ่นี่โดนตกหน้าเลยมันประเพณีเนี่ยบางอย่างมันมันต้องระวังอนะบางทีต้องระวังอาลัด บ, บางทีมาที่นี่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคือมันนึกว่าจูบหัวนี่มันถือว่าสุดยอดการให้เกียรติแล้วแต่ที่นี่นี่จับหัวนี่สุดยอดของการของการไม่เกียรติคนละเรื่องเลยต้องต้องระวัง อาหรานี่เขาสนิดกันมาก น, นะสนิทกันมากนี่มันจูบจมูกพอจูบจมูกอมามาเมืองไทยดิจูบจมูกชาวบ้านฮะโดนแน่เลยต้องระวังเขาบอกว่านี่ของเราเนี่ยเวลาให้เกียรติใครนี่จูบศีรษะใช่ไหมใช่อาจจะสูงขวดคนที่เราจะจูบศีรษะเนี่ยเขาใส่หมวกแต่ผมไปจูบหมวกถามว่าฉันจูบหมวกหรือจูบศีรษะ มบอก็จูบศีรษะเขาบอกก็นี่ไงที่สุญูดูเซนเนี่ยไม่ได้สุญูดูเซนสุญูดให้ตัวหนแต่หนหนะ้าหันหลังให้กิบหลัตักกะเนอะตักกะนี่ฟังฟังและะ้วก็คืมนะใช้ได้ใช้ได้หลงกันเป็นแถวเลยนะครับแบบนี้ปุะมาที่ให้ตักกะแบบนี้นะดังมากระดับโลกนะให้พ้นเนี่ย เขาถูกถมว่าทไมคนสูจุดในกบอของอูเซนนี่มันมีชีวิอ่ะอูย่าไปมองอย่างงี้เรานี่จูบหัวคนนี่นะเขาใส่หมวกไม่ได้จูบหวกเราตั้งใจจูบหัวไอ้นี่มันสุดเซนนี่มันตั้งใจสุจุดเอัลลอฮ์ Allah. แต่อเซนนี่เป็นสืสศา ส, สนาเขาจริงบ้าหรือสิครับเถียงพี่น้อง ต่างศาสนิกหน่งพี่น้องนับถือศาสนาพุทธบูชาสักการะพุทธารูปปาวปาวนะเราไม่ได้บูชาสักการะตัวพุทธรูปตัวจเจวิตินะใช่เรารำเลเกถึงคุณธรรมของสติสิท ธ, ธัตถะ ไม่ไเห็นผลเดียวนะครับว่าเขานี่ไม่ได้ทําชิริกแต่เรื่องหลักการศ ส, สนานี่เราจะเอาเจตนาของเรามาเป็นที่ตั้งนี่ไม่ได้ไม่ได้กินเหล้าแล้วบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเมากินเล่นเล่นรอดไหมเนี่ยนี่เจตนาเราจริงด้วยจริง ทำอะไรที่มันบาปเป็นเนี่ยเจตนาดีเป็นเหตุผลกับอัลลวันเกยรมาหมซูญูดกาบไวตนจากอัลลอฮ์นี่ชิร์กถ้าสุญูดนี่ไม่ได้สามถมาจากเปอร์เซียนี่นที่เปอร์เซียนี่เวลาเกษัรเห็นกษตรนี่คอยคิดเกษตรนี่ค่กราบกลับมา กลับมานี่ยเข็นนบีนี่ก็งจะไปกราบนบีมได้ไม่ได้กราบนบีไม่ได้แล้วีาอามรตุอาฮดันอันยัสจดลอาฮดินลามรตุลมระตอันัสจดลจฮ่าลอิบอะถ้าาเจ้าจะสั่งให้ใครสุญูให้ใครแล้วเนี่ย้าเจ้าจะให้ภรรยาสุญูให้สามีน่งด้วย ด้วยเกียรติของสามีที่จะต้องต้องรักษาไว้ถ้าจะให้สู ด, ดนะแต่ไม่ให้ใช่ไหมเขาไม่ได้สดูดไม่ได้สูดเนี่ยสดูดเขารบนี่แหละสดูดเขารบเขาบอกว่าเรากราบเขารบเพรนนบางทีก็เขาแยกไม่ได้อะ่ะ เพราะวัฒนกรรมประเพณีของศาสนานี่เขามองว่ามันไม่บาปเช่น5ธันวาวันชาตินี่นะก็เป็นวันพ่อเหมือนกันทางราชการนี่ก็จะตั้งรูปในหลวงนี่ในหนวราชการต่างๆและจะมีการสักการะรูปในหลวงเขาถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรา穆斯林บอกว่าไม่ได้เขาก็มองแต่ทําไมไม่ได้เห็นจะมีอะไรนี่ไงมันต่างกันมันต่างกันตรงที่ว่าเรามองว่ากุ้มกาบเคารพวัตถุมีมุสลิมทำไม่ได้ทีนี้น้องราชาการจากใต้โทรมาทํางานหน่วยหน่วยเรื่อง สาธารณภัยเขารับข้าวจากใ่หลวงไปแจกภาคใต้พัธการต้องมีพธิธีขุนโคตรบุกษาอยากจะทำพิธีรับคือรับข้าวพระ<ม> ร, ระชาชทาน<ม>คือจะทำพิธีอย่างนี้จะตั้งรูปในหลวงแล้วก็มีคนแจกข้าวใายพี่น้องมุสลิมเนี่ยมารับข้าวแล้วก็คนนิดหนึ่งก็มินึง อ่าแล้วก็ไปอันนี้พี่ีก็จะได้ถ่ายรูปผมบกกไม่ได้มีใครมาเอาเนาะมุสลิมตายแล้วไม่ทำแบบนี้อดตายเอาเนาะใช่สิครับคือการไหวหรือเขารูว่าจุดจะเป็นใครก็ตามในความเชื่อของมุสลิมกระทำไม่ได้นี่พี่น้องเราต้องเผยแองนี้สนุกไปยิ่เป็นการดูบิน ไม่ใช่อเหม็นเปื่อนสูงไม่ใช่นี่เปนเรื่องศาสนาพี่น้องต้องอธิบายแต่เนื่องียกว่ามุสลิมอะไปกล้าอธิบายเนี่ยกลายเป็นพิธีที่มุสลิมถูกบังคับพอเราไม่ยอมทํานี่คนที่ไม่ยอมเนี่ยกลายเป็นคนประหละัดผมไปประเทศปากีสถานไปบรรยายนี่ก็เจอรองกองสุลเป็มุสลิมเมาบนบอกว่า เขาหนีพยายามอธิบายกับทูตอุปทูตกับคงศุลนว่าอะไรเรื่องเพราะมมีพิธีบ่อยไนงะพิธีเนี่ยต้องมีมีผ้าอะไรก็ต้องค้ง้องนั่พยายามอธิบายว่าเขาทำไม่ได้เข า, าไม่ได้จนเข้าใจละเจ้านายเข้าใจละแล้วลมีพิธีอะไรนี่เขก็ไม่ให้ไม่เข้าไม่ทำจนกระทั่งมีแค่ราชการมุสลิมอะกระทรวงต่างประเทศ พาลูกไปเรียนโรงเรียนฮับวิถีปากีแล้วก็มาคุยกับเจ้านายในวันนั้นเขาก็คุยกันเรื่องนี้เรื่องพิธีเรื่องบอกว่าหนูนี่นะทำได้ทุกอย่างแม่จะต้องกราบกราบนี่ก็ทำได้แต่อย่าให้น้ำผากแตะพื้นละกันเทคนิคเทคนิคละเอยียดมึงนั้น แบบนี้แหละครับพระมุสลิมเราคุณมีญาบด้วยอ่าแสดงว่าเข้าใจศาสนานี่ยข้าราชการระดับผู้ใหญ่นี่เ ก, ก็สับสนสิครับสับสนที่เราก็เหนื่อยอะครับบางทีมุสลิมเอาทัศน์าส่วนตัวความก็จะส่วนตัวนี่ไปบอกกับข้าราชการระดับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญก่ก็ไม่ค่อยละเอียดอ่อนไม่ได้ทำนะกู้ราชการไม่ได้นล้วก็เอามาเจอมุสลิมกระทานี่ มุสลิมร่วมปาร์ตี้กินเล้ากับผู้ใหญ่พอมีคนหนึ่งเคร่งหน่อยไม่กินแล้าเอ้าแล้วทำไมบางคนต้องกินนะ่ะมั น, ยนเยอะพวกเราพวกเราวาสีแลนี่นะครับเนื่องจากว่ามุสลิมเราก็ทำทำให้มีคนสับสนให้มันต่างกันตรงไหนอะศาสนาที่ไปกราบอูโบ พอเห็เชียมาลมาดกวางหินเฮ้ยมันจะทุกขามี่หว่าแอาน่าตมุสลิมมะมุสลิมแชียมอางว่มุสลิมนี่ล่ะก็ทำไมคนสับสนนู้นอิสลามไม่ได้อลาลิลลัฮิดีนุลขัลสัลลัประกาด้วยพึงทาบเถิดศสนาอันบริสุทธิ์อันเที่ยงแท้เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้น وقاتلهم حتى لا تكون فتن ويكون الدين لله كان كرب سكارا رتعسون شدني كه أي كان كرب سكارا لله كل الله ثاونن كل الله ثاونس حديث ضعيف النبي يقولوا คน نين كاون ر เพราะ ملعن وان ايه كون نين ن س و ن เพราะ ملعن وان كده 2คน เดินทางก็เจอด่านด่านคล้ายๆด่านเสื้อแดงกองปปะปะะอย่างเงี้ยถ้าไปด่านเสือสเส้อแดงไม่ใส่เสื้อแดงก็โดนเล่นงานถ้าผ่านกอปปะปอไม่ใสะ่ไม่ไม่ภาคไอ้ไม่ไมไมไมทงเออทงชาตินี่ก็โดนเล่นงานเมื่อคืนผมโดนเล่นงานไอนี่บ่านด่านด่านมีเจวิป ใครผ่านด่านนี่ก็ต้องถวายเจวิตต้องเส้นว่าเขาก็บอกคนหนึ่งต้องถวายไม่มีไม่ถวายต้องถวายขอถวายอะไรก็ได้แมลงวันก็ได้เขาบอกว่ามาแรงวันก็ไม่ถวายตายนะตายก็โดนเชื่อดอีกคนหนึ่งถวายไปมีจะถวายถวายอะไรก็ได้มลแงวันเขาก็ไปจับมาแรงวันจับมาแรงวันถวาย คนหนึ่งเข้าสวรรค์ที่มา ย, ย, มยอมถวายพาะมาแรงวันอีกคนหนึ่งเข้าเนารกกพ่อมาแรงวันฮาดิสซี่น้อยแต่เนื้อหาอ น, นี่มันใช่อะ่ะมันใช่อยากอยากจะทำเป็นหนังเหรอเือนะ นึกแล้วชื่อใหม่หนะนังชื่อใหม่เนมะื่อที่สารเจ้านะมันจะเป็นมุมที่เข้าไปดาว่าพี่น้องต่างศาสนิกรับปรับความเข้าใจพี่น้องเชื่อไหมก็มีมุสลิมมุสลิมนะเ้นไว ไม่มีใครเชื่อมัท่านคงไม่เชื่อมุสลิมเส้นไว้ทาบุญเจ้าที่เจ้าท้ามุสลิมแล้วไม่เคยแตกละมุสลิมอิหม่ามศิล่ะอิหม่ามศิล่ะภูเก็ตชาวบ้านมาบอกเช็คไม่ไหวแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะยังไงและผู้นาศาสนาของเราอิหม่ามิด คือเจ้าของโรงแรมใหญ่โตนี่แต่ก่อนนันเป็นที่ของมุสลิมอแล้วคนเจ้าของเป็นคนจีนคนจีนนี่ต้องทำบุญเจ้าที่เจ้าทางทุกปีนี่ต้องทำวาจิบจะเรียกหมดเลยเรียกพระเก้าองค์พราหมณ์เก้าองค์ แ, กแ้ก็โตเลเบ่เก้าองค์รวมถึงอิมามมัสฮิด อิหม่ามสิิไปนะครับพระก็สวดโตระแบก็อ่านอิหม่ามกลับมาชาวบ้านคดคดตะลึงกันนะตะลึงกันอิหม่ามไปทำอะไรเอ้าเขาก็ขอของเขาเราก็ขอของเราใช่เหรออาจะเราไปยืนหน้าศาลเจ้าละกันมาทำดุรินลยยูรับบิลอาลมีนอัลฮมะนฮ บูธฮะสิคับพี่น้องวิวซีละแต่วีละอุตริกบางคันนีอาจจะชริกนกฟุตศสนาเลยแต่บางคันนีอาจจะเป็นบิดาเป็นอุตริกรรมเป็นเรื่องบาปแต่ทั้งนี้มันก็อันตรายังสิน่ะวีละช่ยานิสีที่ถูกต้องเที่ยวรอบว่าตะกุแสวงหาสิวซีละที่ให้เข้าใกล้จริงๆน่ะพี่น้องเรานั่งรถ ไปฟ้ารถเมนีผิดเลขเลขเดียวอะนะไปเป็นคนละทิศเลยไปนอนนั่งสิบห้าเผลอไปนั่งสิบหกเนี่ยไปปทุมเลขเดียวนี่ผิดเลยนะครับเดี่ยคนจะไปหาอัลลอ์นี่นะนี่เดียวนเดียวเพียนเลยเพียนเลยชาวบ้านยิ่งไว้ใจทุกครูอิมา ก็ไม่เคยตรวจสอบไปหาโต๊ะครูสอนคุรานที่โรงเรียนศาสนาป้ารบว่าลูกสาวเขาไปชอบต่างศาสนิกทํายังไงให้เขาเลิกให้เขากลับเขาบอกก็เอาเสื้อของลูกมานี่เดี๋ยวจะจัดการให้เขาก็เอาเสื้อมาทำสเสน่แล้วก็บอกกับแม่บอกว่าให้ต้มไข่ลูกหนึ่ง แล้วก็เฝ้าดูหน้าบ้านเห็นสุนัขตัวดํานี่มานี่นะก็ไปวางไข่หน้าสุนัขตัวดําทุ๊กหูสองเ ส, สนารู้เร่องันกิดบนอสวดชัยตอนนบีบอกว่าสุนัขตัวดํานี่คือชัยตอนถวายไข่ดะไข่ต้มก็เหมือนแมลงวันนี่แหละเข้านารกพกไข่ต้ม นี่เดียมะเขาไว้ใจเขาไว้ใจเรื่องเสสารเรื่องที่ตัวคูเนี่ไปทำสเสน่ห์ทำของเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้เราต้องพีถีพ่ถังหน่อยทีเรื่องดุญญนยาเนี่เราเราเลือกเราปราณีปราณีมาก อยากจะเรียนดีนะเอา้าก็ต้องได้คะแนนสูงจะได้เข้ามาหลาลัยดีๆคณะดีๆเรียนวิชาดีๆได้อาชีพดีเงินเดือนดีนี่เราพิธีวิจา น, นะแขันกันนะต่อสู้กันนะเ้ยไม่ได้ถ้า จ, จะเอาคะแนนดีนี่นอนไม่ได้ต้องดูหนังสือทั้งวันทั้งคืนแต่ทีเรื่องศาสนาเ น, นี่ไม่ต่อสู้เลยตั้งนี้ทัะะ้งนั้นทั้งนี้ั้งี้ทั้วนี้้นี้ั พิสูจน์ Allah นะจ اه ิดูใน سبيل He ลัลลักม์ทุมพลุกนั้นละตงตาูยสละในทางของ ا ل l a h ถไม่มีแล้ครับทาอะไรดีๆแล้วไม่ต่อสู้แค่ลาดนี่ Allah ฮูอักบาร์อะไรเกิดขึ้นมาหลายทฤษฎีละครมาแล้วบอนจะไปดูบัมั ไม่ทันจะละหมาดอีมาลชัยตอนต่อสู้ทรศัพท์มือถือนี่หายนี่หาทั้งวันเลยไม่เจออัลลออักบารมือถือลืมอยู่ที่ห้องน้าเออใช่กว่าใช่ววชววชววแบบนี้เป็นตน้นอชัยตอนเ น, นี่ยไม่ปล่อยแล้วแน่นอนก็ต้องต่อสู้ชัยตอนอ่ะหลังจากนั้นนับสูอินนันนัลามาระตุบิสู อะไรอะไรที่มันบาปนี่นะอะไรที่เราบอกว่านรกทรมานเจ็บแสบเนี่ยชอบเหลือเกินต้องต่อสู้มีชัตตอนนับสู้แล้วก็มีมนุษย์ที่เป็นศัตรูมนุษย์ที่ไม่หวังดีมนุษย์ที่แทนที่จะจ่งเราไปสวรรค์นนะไม่มีนรกที่คือเขาไปไปนรกอยู่แล้ว่นะไม่อยากจะไปเหงาอยู่คนเดียว่นะะพาเพื่อนมาไน ไ, ไ, ไปนรกอยู่กันปะ ต่อยรูด้วยกันก็ต้องต่อสู้พวกนี้พวกนี้มียอบงกันนะต่อสู้เอเมยันตัีร์เนี่ยเต้องต่อสู้ทุกเรื่องจะแต่งงานคนดีกู่คองหากู้คองดีนี่ต้องต่อสู้ต่อสู้รย่าจะหาอาชีพฮลโลต่อสู้จะคิดดิสกี้ฮลโลต่อสู้ต่อสู้ผู้ j a h i d ในทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى jihad เนี่ย <c oughs> อินมีกระซีลก็บอกอธิบายว่า j i h a ตรงนี้ก็คือการการต่อสู้คืออสู้รบในสมรภูมิในสงครามก็ใช่เป็นส่วนนเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้ถึงขั้นที่จะต้องเสียสละชีวิตเพื่อละโวานาก็ต้องทำหรือว่าวางชวางแผนชีวิตนี่นะ วางแ็นชีวิตเนี่ยจะไม่สู้เลยไม่ต่อสู้เลยใครจะมาคมเหงอิสลามคมเหงมุสลิมถึงขั้นเนี้ยต้องต่อสู้จะไม่ต่อสู้เลยไม่ได้นบีบาดูมุสลิมมันมาตวะเลมยุห์ุวะเลมยุหัดดิสเนฟเซห์บิลรุซูมัตยอัลาชูบบะติมินันิฟาได้เสียชีวิต โดยที่ไม่ไม่เคยต่อสู้เลยหรือไม่เคยตั้งใจที่ต่อสู้เพราะไม่จำเป็นบางทีไม่มีโอกาสที่ต่อสู้ไม่มีเหตุผลที่ต้องต่อสู้หรือว่าเราไม่มีเหตุผลต่อสู้นี่เราก็หาเรื่องจะได้ต่อสู้ใฮ้คือไม่มีเหตุผลก็ไม่ต่อสู้แต่ตั้งใจเตรียมพร้อมถ้าไม่เตรียมพร้อมไม่ตั้งใจเสียชีวิตในฐานะมีความเป็นมูนาฟิศ ก้ใช่สิครับถามมุสลิมคนหนึ่งยังไงวางวางแผนชีวิตยังไงอ่ะอะอาชีพฉันมีเงินเดือนประมาณหก0มืนผมจประกันภัหมื0นหนึ่งใช้หนี้บ้านสองหมืนใช้หนี้รถสองหมืนเหลืออีกสองหมืนคิดเลขถูกมั้ยเนี่ยอ เหลอเท่าไรก็เหลือไม่พอผมก็ต้องไปหางานอดิเรกงานเสริมงานเสริมนี่เอาเงินมาทำอะไรเอาเงินมาซื้อประกันอีกตัวนึงทไมอะเพราะตัวนี้มันไม่ประกันมะเร็งถ้ามะเร็งเดี๋ยวนี้มันระบาดก็ต้องไปประกันอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันประกันหมดมันครอบจกวประกันทุกอย่างต้องซื้อประกันตัวนี้ เลืออีกน้อยนึงอา้าวดีไปสมัครสากลอัลมาณะเขอให้เบิก 30,000 เพื่อรักษาโรควางแผนทุกอย่างไม่ได้เตรียมเงื่อนอื่นเหรอเงินเดือนนี่ไม่มีส่วนนึงที่เอาไว้ต่อสู้เหรอพี่ดิบอกเขาไปเสียอาวุธนะใช่นะเอาไว้เอาไว้ต่อสู้ในห่ยคุณดังอัลลอฮ์ชิน เรมีอง إ ي م ทำยังไงเอา้าซื้อกุฏอ่านซื้อซีดีกุฏอานซีดีความหมายกูฏอ่านทำไมอ่ะเพราะถ้าอ่อนแอจะได้เปิดกุฏอ่านเติมน้ำมันต่อสู้ไม่มีส่วนหนึ่งของเงินเดือนที่จะไปทุ่มเทเตรียมพลังสเสบียงให้ต่อสู้ในโลกนี้แต่เตรียมทุกอย่างนี่พอเข้าโรงพยาบาลมีเบิกได้พอไปเที่ยวมีใช้ได้รถเสียมีประกันนี่นี่ จะได้สบายตลอดชีวิตอย่างเงี้ยไม่นึกจะต่อสู้ใช่ไหมอ๋อพอไปทํางานเออเงินเนี่ย น, นี่ดีแต่ก็ไม่ให้ละหมาด ก, ก็ไม่ต้องละหมามดเรารู้เรื่องไะไม่สู้เหรอไม่สู้ไม่รู้เลยล่ะไม่ละหมากก็ไม่ต้องละหมากกินหมูกินเล้าก็ไม่เป็นไรเจ้านายจะได้สบายใจจะได้เข้าสังคมเออเนี่ยทาหน้าวิเคราะห์นะ กินล้าทำไะบางมันต้องต้องเข้าสังคมอ่ะแล้วก็ไม่เข้าหาหล่อเหรอไม่เข้าหาหล่อไม่เข้าฟังหละอเหรอละหละกคุณทุฟลิพูนจะได้ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จนี่ในมาตรฐานอะไรอะเพราสังคมจะมีเยอะนะเรียนวิชีเรียนแพทย์เรียนนน่นเรียนนี่จะไม่มีไม่เคยมีใครนะกันเรียนคุณอานนุ่ม เรีนฮานิสบ้าดิรู้จักอัลลอฮ์รู้จักตุ่านนะรู้จักรู้จักนบีรู้จักสาบ้างไม่ไม่เคยมีใครสอนไงทําไมอ่ะโลกนี้เขารนรงค์รณรงกันด้่มาตรฐานความสําเร็จความสําเร็จนี่คืออะไรความสําเร็จนี่เงินเดือนนะถูกเรืุ่นสงครามสําเร็จเราก็เห็นคนขับบีเอ็มมเงินเดือนสองแสน ที่คือความสําเร็จใช่ไหมสังคมส่วนมากใช่มแ้่คนที่อจคนที่ขับบีเอมเงินเดือนเป็นแสนอาจจะเป็นคนที่ไม่ละมาก็ไม่ถือว่าสําเร็จนอะัลลอฮฺสุบฮานาอูตะะมองความสําเร็จดังที่มัลลสุบฮานาอูตะะละสั่งชัยไว้ตามขั้นตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะะละระบุไว้ดีเป้าหมายที่เราได้กำหนดให้เราแล้วเนี่ย ชีวิตของเรานี่จะเปลี่ยนแปลง ก, กคือคิดไม่เหมือนไม่เหมือนสังคมคิดไม่เหมือนคนทั่วไปคิดไม่เหมือนคนของโลกของดุนยาคิดไม่เหมือนกันแน่นอนคนในโลกนี้แสวงหาที่จะมีเส้นมีสายลูกลูกส่งไปเรียนนี่โรงเรียนนี่ดังถึงข่้มที่ตรงใจสินบนสามแสน เขาจะได้รับลูกทาไมอะโรงเรียนนี้รู้จักพคนที่สําเร็จในเป็นรัฐมนตรีนะลูกเราจะได้มีเส้นมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกแนี้อย่างเงี้ยแต่โรงเรียนนี้เขาสอนไบนเบิลเนาะสอนสวดมนต์ฟาดีห้าไม่มนะีไม่เป็นไรไม่เป็นเียไปไปเรียนที่หลังก็ได้ ปัญหาว่าพอเข้าไปเรียนแล้วนี่ความรักความเลื่อมใสต่ออิสลามนี่มันจะหายไปมันจะถูกลบล้างไปถูกล้างสมองไปนี่คือปัญหาของลูกหลานงาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่คิดแบบนี้นะครับแบบที่อัลลอฮุ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ล ى ใช้พวกเราวางแผนชีวิตนี่มันก็คนละเรื่องนะมีเงินเดือนเงินเดือนส่วนงน ส่วนหนึ่งนี่เตียงไว้ซื้อซื้อน้ํามันสเบียงอีมาอะไรที่ทาให้ครอบครัวเรามีอิมาไปดูพิจารณาสิครับไมมีมีแต่งบซื้อของกินมีแต่งบซื้อของเล่นมีแต่งบไว้บันเทองไว้ยไว้เที่ยวพวบที่เราเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้ซื้อกุญแจสวรรค์ เก็บไว้จองตำแหน่งใกล้อมุสในใกล้นบีเรื่องความใกล้ชิดจาคลอไดเป็นเรื่องที่อุดยเยอะนะครับคงคงจะเป็นคำเป็นบทเรียนที่เพียงปอนะครับใน <c oughs> ชีวิตของมุมสลิมทุกคนเนี่ยต่ชีวิตของเขาใน ม, มีความชัดเจน จุดยืนชัดเจนต่อรัศุีพานาหัวตาเขาจะมีคําตอบในหลายเรื่องที่กําลังเกิดความสงสัยทําได้ไม่ได้ทดําดีหรือไม่ดีนี่กาหนดเป้าหมายชัดเจนนิดนึงนะครับท่านจะมีคําตอบนะครับคงฝากไว้กับพี่น้องพิงเพียงตร ง, ง, งนี้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีบรรยายหลังอิชาที่มัตสิชวมีมาริย์ที่ทุ่งคุ้ นะครับแล้วก็วันเสราร์มีมีบรรดาที่มัสยิดดารุลุตตะกีออกนอ่อนลุกเป็นงานของมัสยิดนะครับก็ฝักสุภาพบุรุษด้วยนะครับชนอนิดหนึ่งให้มุสลิมันลงก่อนอารมีครับ أقول قول هذا و ا س ت غ ف ر الله العظيم لي و ل ق و م صلى الله عليه و ع ل ه ص ح ب وسلم سبحانك اللهم والحمد ل ش ه لا إله إلا أنت الصغفر كاتم لي سلام عليكم ورحمة الله